ท่านทนคะรายการสัสนิสมสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวขาว FM106 รและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมเกียรติที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้มีดิชันสัสนิยน่าคงดำเนินรายการผ่านไปนะคะสำหรับพระภิกษุรูปแรกแล้วคือพระมาร์คตอนนี้เราก็มากันที่พระภิกษุรูปที่2นะคะจะนำเอาพุทธประวัติจากพระโอส์ และอริยศาสตร์สี่มาให้รายละเอียดการเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยฉันกําลังหมายถึงพระภับูลอ์อภิปุณนโญนจากวัดปารอนไฮโซอุดรธานีที่กําลังจะมีการทอดกรถิ่งกันในวันปิยะมหาราชที่จังหวัดอุดรธานีนี้นะคะนวัฒ ก, การกันทั้งค่ะค่ะเชนพรพุทธประวัติค่ะยังอยู่ในส่วนของเรื่องที่มีคนมากล่าวหาพระพุทธเจ้าเรื่องการกล่าวตู่เนี่ยมีกันมาโอ้ยมันตั้งแต่สมัย โบราณแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ในหนังสือเรื่องปฏิจจสมุปาท์แว่าการพูดสอดเสียดเนี่ยคือการพูดยุยงให้แตกกันอย่างนี้นนะการพูดกระทบกระเทียบเปลี่ยนเบียนการพูดเพ้อเจ้อเพื่อความสําราญเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยที่มนุษย์มีอายุประมาณสักสองสามพัน อ, อายุประมาณสัก1 0,000 ปีเนี่ยหรืมั้ย ก็รู้กันว่าไม่ดีมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วทําไมมันถึงเบิกบานมาถึงสมัยนี้นะคะท่านเพราะว่าเพราะว่าเขาทํามากันเรื่อยๆไงทามากันเรื่อยๆแล้วก็เสื่อมมาเรื่อยๆเสื่อมมาเรื่อยๆนะในสมัยที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีพระเจ้ามาเกิดมาเขาเรียกว่าทวนกระแสเอาไว้บ้างใช่ไหม <Okay. S 2> พระเจ้าองค์นี้หายไปแล้วคําสอนหายไปแล้วก็เสื่อมลงเสื่อมลงพระเจ้าองค์ต่อมามาทวนกระแสไว้บ้างจนกระทั่งมาถึงองค์ปัจจุบันเนี่ยสมเด็โคดมมีอายุ ป, ประมาณหนึ่งปีนะเป็นประมาณ ซึ่งก็คนที่อายุร้อยปีหรือเกินกว่านั้นเราก็ยังปรากฏเห็นอยู่นะทีนี้เรื่องการกล่าวตูนะเคยพระเจ้าโดนกล่าวตู่เยอะมากเลยนะเช่นบอกว่ากล่าวว่าเป็นคนไร้โพคทซับนะเพราะว่าไม่เอาอะไรแล้วนี่บคนก็บอกโอ้ยเป็นผู้ที่ไม่ทําอะไรบางคนก็บอกว่าพระเจ้าหนีเป็นผู้ที่กล่าวแต่ความขาดศูนย์นะบางคนก็กล่าวหาพระเจ้านีเป็นผู้ที่เกลียดเกลียดแล้วนี่เกลียดนี่เกลียดไม่พอใจอะไรเลย แล้วก็แบบเผาพลนนหมดทุกอย่างค่ะแล้วก็ไม่มีที่ฝุดที่เกิดอะไรกับว่ากันไปอย่างเงี้ยนะค่ะพระเจ้าก็อธิบายไปหมดอย่างเช่นว่าเกลียดเนี่ยพระเจ้าก็บอกเ่าเกลียดนะสิ่งที่เป็นทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาธุรกิจทุจริตทางใจค่ะพระเจ้าเคยบอกว่าพระองค์เนี่ยขยักขยังเกลียดชังต่ อ, อสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายค่ะขยักขยังเกลียดชังต่อพวกอิทธิวิธีอะไรพวกเนี้ยนะเคยพูดอยู่ก็แสดงว่าพระเจ้าก็เกลียดสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะ S <S หรือว่ากล่าวแต่ความขาดศูนย์มีคนมากล่าวหาพระเจ้าอย่างนี้พระเจ้าก็บอกว่าใช่เรากล่า ว, วการขาดศูนย์ของราคะโทสะโมหะว่ามีได้ว่าเป็นบาปราคะโทสะโมหะเป็นบาปบางคนก็กล่าวหาพระเจ้าบอกว่าเนี่ไม่ทําอะไรอยู่เฉยเฉไม่ทําอะไรพระเจ้าก็บอกว่าใช่เราไม่ทําทุจริตทางกายไม่ทําทุจริตทางวาจามไม่ทําทุจริตทางใจ อ, อย่างนี้นะบางคนก็บอกว่าพระเจ้านี่เป็นคนเผาผลันไม่มีที่พุดที่เกิด พระเจ้าก็บอกว่ า, าการที่ต้องไปเกิดในคันใหม่ต่อไปมีพบต่อไปนี้เราไม่มีแล้วนี่เป็นตน้นทุกวันนี้ก็ยังมีคนมากล่าวหาพระสงฆ์คุณโยมติวว่าเไม่ทําอะไรเลยนะแค่พระสงฆ์เห็นเราเห็นพระสงฆ์อยู่เฉยๆเนี่ย อ, อสรุปเลยได้ไหมคะว่าพระสงฆ์ไม่ทําอะไรเลยเอาก็ถึงว่าทําอะไรล่ะเพียนเผากีเรตอยู่ในใจขอประท่านโทษนะคะที่ฉันเคยได้ยินคนพูดแต่เขาพูดแย่าเล่นๆอันนี้อ่า ขออนุญาตให้ฟังกันสนุกๆกเขาบอกว่าสมมุติว่าเป็นผู้หญิงพูดเ่พระอะทาอยู่แค่นอนกับฉัน เ, ออเป็นผู้หญิงพูดอันนี้เป็นเรื่องโจ๊กนะคะคืเอเหมือ น, นจะบอกว่าพระเนี่ยกินกับนอนน่ะแหละขอบคืมค่ ะ, ออคะทีนี้ถ้าเห็นพระนั่งเฉยๆเนี่ยเราควรจะคิดอย่างไรดีคะไม่ไม่ดูหมิ่นความนิ่งของพระอริยเจ้าพระองค์นั้นเนี่ย เป็นเป็นสามเณรก็ตามเป็นพระหนุ่มก็ตามหรือว่าเป็นพระแก่ก็ตามเนี่ยก็อาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นพระอริยะบุคคลก็ได้เราไม่รู้เลยนิ่งๆอยู่เนี่ยไม่แน่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไม่ดูหมิ่นความนิ่งของพระอริยเาข้างในอาจจะพิจารณาเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านเป็นคนมีศีลใช่ไหมเราก็ควรทำอันเฉลีนะหรือว่าถ้าโอกาสเหมาะสมก็ควรเข้าไปหาเพื่อสอบถามธรรมะอันนี้จะเป็นไปเพื่อปัญญาของเราด้วยท่านเบิบุญค่ะ ทีนี้เมื่อสักครู่ที่ท่านบอกวาอ่าปัจจุบันเนี่ยพระภิกษุยังโดนกล่าวตูอันนี้เชิงเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่แพร่หลายทั่วไปแล้วก็ดูเหมือนกับจะเกิดขึ้นไม่จบไม่สิน้นพอเกิดขึ้นทีก็จะทําให้มันเกิด <S <S ความเศร้านะคะทีนี้ดิฉันจะย้อนไปถึงเรื่องว่าพระภิกษุเนี่ยเราอาจจะมองว่าธรรมดาธรรมดาอย่างไรก็ตามในวันเนี้คิดว่าคงจะมีคนอยู่จํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่คิดเหมือนในสมัยเก่าอะค่ะที่ว่าเอพระพุทธองค์เนี่ย แต่ในเรื่องที่มันชวนให้หน้าเบือนในายไม่มีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะยังขาดความเข้าใจ สมพุทธค่ะจะแก้ความเข้าใจเขาในฉับพลันทันใดเนี่ยเราจะบอกเขายัางไงดนะอีอ๋อบอกได้ง่ายๆเลยคือมีหลายคนที่เห็นว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องน่าเบือ่อเป็นสําหรับเฉพาะของคนแก่แล้วก็คนแก่ๆเท่านั้นอนะ่ะหกะสิบเป็นต้นไปฉไม่ยอมเลยนะค ะ, ะฉันชอบธรรมะแต่ไม่ยอมรับเข้าหานั้นแล้วก็สําหรับคนแก่เท่านั้นจะเข้าวัดอะไรธรรมะอยู่ในวัดเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายก็ต้องทําความเข้าใจกับเขาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับความเบื่อกับความ บางคนบอกนี่สีสันชีวิตต้องไปเที่ยวเทค ก, กินเหล้าเมาเบียวพวกนี้นะครู ช, ชาเคยเปรียบเทียบกับน้ําดื่มชนิดหนึ่งที่สมบูรณ์ไปด้วยสีด้วยกลิ่นด้วยรส ถ, ถ้ากินเข้าไปเนี่ยจะทราบทราบไปหมดเลยนะแต่ว่าเจือด้วยยาพิษนะมีบุรุษคนหนึ่งนะก็เหนื่อยมากเลยโอ้โหกระหายน้ํามากผ่านแดดร้อนมาทั้งวันมาเจอเครื่องดื่มถ้วยนี้นะแล้วก็มีเครื่องดื่มถ้วยที่2นะเป็นน้ําที่น้ําเย็นน้าเปล่าธรรมดา นะแล้วก็เป็นน้ำบริสุทธิ์ชื่นใจนะถามว่ า, เ, าเธอพิจารณาดีๆเนี่ยจะกินอะไรก็นะต้องคนนั้นเขาจะตอบได้เลยถ้าเขาเป็นคนที่ทำการพิจารณาดีแล้วเนี่ยเขาต้องคว้าน้ำเย็นดื่มชื่นใจจืดๆเนี่ยมากินจะคลายความกระหายของเขาได้ในระยะยาวแต่ถ้าหยิบไอ้เหล้าเครื่องดื่มที่สมบูรณ์ด้วยสีกลิน่นรสกินเข้าไปซาบๆเนี่ยแล้มียาพิษผสมนะตายสีแง นะเหมือนกนากรพระเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างนี้แล้วก็คนที่มันร้อนอยู่เนี่ยมันต้องเอาน้ําเย็นๆเนี่ยดับนะเราถูกเผาด้วยกามอยู่ถ้าไม่รู้ใช่ไหมแสดงว่าเหมือนถูกยุงกัดว่าผิวหนังตรงนั้นก็จะต้องคันมันจะต้องเก่าลักษณะนี้ซึ่งเรื่องกามอันนี้พระเจ้าได้เคยพูดไว้ว่าเป็นอันตรายมากๆที่เราเคยพูดมาก่อนก่อนโ น, น้นตอนที่พูดถึงเรื่องอริยสัจตอนแรกๆนะค่ะ ว่าถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นของโทษแล้วเนี่ยโอ้ยมันจะมีกับดักของมันอยู่เยอะมากซึ่งเหมือนการมารเนี่ยเคยมากล่าวตู่พระพุทธเจ้านะซึ่งมาสอดคล้องกับเรื่องพุทธประวัติตรงนี้พอดีนะว่ า, าให้พระองค์เนี่ยเสพกามนะพระพรเนี่ยไปหาความสุข ท, ทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายในอย่างที่เคยเคยทำทำมานะพระเจ้าก็บอกโอ้ยพวกนั้นเราละได้หมดแล้ว เธอเนี่ยเป็นมารอย่ามาพูดอย่างนี้ไปซะนะมารก็เลยเรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้กรรมพืชของตัวเองแล้วคือตอนนั้นเนี่ยมารเนี่ยปลอมมาเป็นชาวบ้านธรรมดานะมาเอามากวนพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องที่พระพุทธเจ้านี่ยยังเคยพูดถึงความที่ปุถุชนนี่ยังรู้จักพระองค์น้อยเกินไปมากๆ เนะี่ยเช่นว่าจะมีบางคนมาบูชาพระองค์เนี่ยเพราะว่ารู้เรื่องศีลนะเป็นคนที่มีศีลละเอียดมากเลยโอ้ยยังรู้จักพระองค์น้อยเกินไปยังมีข้ออื่นอีกศีลมชิมศีลจุลศีลมหาศีลเนี่ยพวกนี้ก็จะมาบูชาพระองค์เพราะว่าเรื่องพวกนี้ก็ยังรู้จักพระองค์น้อยเกินไปอีกเนะ่ยพระพุทเจ้าก็จะอธิบายถึงความที่มีสมาบัติขั้นต่างๆชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสีโอ้โหเป็นอีกเยอะแยะไปหมดค่ะ ถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยยังรู้จักพระองค์เนี่ยน้อยเกินไปเ no. นาะลักษณะนี้นี่คือเรื่องของพุทธประวัติในวันนี้ส่วนอริยสัจสี่<ฮ>ะก็คือจะพูดถึงประเด็นที่ว่าโสดบันกับพระอาหารหันเนี่ยต่างกันยังไงอย่างพระโสดบันเนี่ยคือผู้ที่เราพูดถึงเกณฑ์ในการวัดนะคือผู้ที่สามารถละเกณฑ์ในการวัดนี่มีทั้งหมดอยู่สิ สิบอย่างเครื่องที่จะมายึดให้อยู่ในภพนะซึ่งบุคค า, าใช้คําว่าสังโยชน์สังโยชน์เนี่ยแปลว่าเครื่องรอยรัตนะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยจะเป็นอริยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่ง <c oughs> ซึ่งโสดาบันเนี่ยละได้3อย่างแรกนะคือความเห็นว่ากายตัวตนของตนนะนี่เป็นความเห็นเฉยๆนะที่สองนะคือความลังเลในนะข้อปฏิบักษนะ์คือเรียกภาษาบษษาลีวิชิกิจชา หรือว่าอย่างที่สามเนี่ยก็คือการประพฤติศีลและพริที่ผิดๆ ด, ด้วยความมุ่งหมายผิดๆจะละสามอย่างนี้ได้อันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าความสงสัยว่าเออพระพุทธเจ้านี่จริงหรือเปล่าพระธรรมนี่ทํางานได้ผลจริงไหมไอ้คนที่ปฏิบัติแล้วเป็นพระอรหันต์เนี่ยมีหรออย่างเงี้ยจะละตรงนี้ได้ ค, คือเหมือนกับว่าต้องเป็นความสงสัยในเรื่องเหล่านี้ด้วยถูกไหมคะใช่คือความสงสัยในเรื่องการทําให้สิ้นสุดแห่งทุกเนี่ยคอ เขาจะจะละได้ส่วนพระอรหันนี่จ ะ, ะโสดาบันเนี่ยจะแค่มีความเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของฉันนะความ <Okay. S 1> เห็นถูกอยู่แต่ยังละไม่ได้นะส่วนพระอรหันนี่จะละได้นะความ <Okay. S 1> เป็นตัวตนเนี่ยมานะความยึดถืออวิชชาละได้หมดนะนี่คือความแตกต่าง <Okay. S 1> ซึ่งก็จะไม่ลงไปในรายละเอียดเรื่องของสังโยชน์สิล้เพราะว่าเคยพูดมาแล้วตอนก่อนนั้นนี้ <Okay. S 1> แต่ให้เข้าใจว่ามันมีทั้งหมด10บระดับ โนะสดา บ, บัละได้สามมรรคมีละได้หพระอาารันละได้สิบซึ่งตรงการละได้ตรงนี้เนี่ยเป็นผลนะบางคนนักปฏิบัติบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าเ อ, อ้โง้นฉันหาตัวมานะก่อนแล้วฉันก็จะไปจัดการมันหรือว่าฉันหาตัวการมราคก่อนแล้วฉันจะไปจัดการมัน น, มาา น, น, ะม น, นะคือไปฟันมันที่ตัวสังโยชน์ไม่ใช่ใชนะนการละสังโยชน์ได้เนี่ยเป็นผลขอ ง, ของการที่คุณเดินตามมรรคของการที่คุณเจริญสมถวิปัสสนาไปคู่ ค, คู่กัน มันก็จะค่อยๆขุดออกอขุดออ ก, ออกใช่ไหมพอขุดลึกเข้าไปลึกเข้าไปเนี่ยไอ้สังโยคก็หลุดไปสามอันลึกเข้าไปลึกเข้าไปอีกมันก็ขุดไปมันก็หลุดไปห้าอันอย่างเงี้ยดิฉันว่ามุมนี้นีน่าสนใจจริงๆนะคะคือบางทีบางครั้งเนี่ยบางคนก็เลยไปเข้าใจว่าอ้าถ้าอย่างนั้นอ๋อฉันนี่มีความลังเลสงสัยอยู่ชะละเลยแต่นั่นมไม่ใช่ไม่ถูกหรอคะก็ต้องทํำต้องทําเหมือนอย่างที่ทําเดิมมานั่นแหละก็คือ จเจริญสมถาวิปัสสนาจริงๆละวิชิกิชาก็ได้นะคุณเห็น<ม>ไหมละ่ะแต่การที่จะละวิชิกิชาได้คุณต้องมีสมาธิคุณต้องมีปัญญาอืมเพ<ม><ม>ราะฉะนั้นสมาธิปัญญามาด้วยการสมรถาวิปัสสนาต้องไปด้วยกันค่ะคือก็ใช้มีดเล่มเดิมนั่นแหละแซะไปเรื่อยๆแซะไปเรื่อยๆใช้ทางเดิมนั่นแหละเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆคื อ, อสร้างเหตุคือการเดินไปตามหนทางคือมัจแล้วผลจะเกิดเองใช่ผลคือละสังโยชน์ได้ถูก ต, ต้อง ลัสังโยดได้ก็จะเกิดผลอีกอันนี้2องะก็คือเป็นอริยบุคคลอ๋อค่ะทีนี้เรื่องอริยบุคคลจะมีอีกนิดนึงพูดถึงความเป็นโสดาบันค่ะพุทาบอกว่าคุณสมบัติของการเป็นโสดาบันเนี่ยน ะ, ะคือโสดาบันลักสังโยดได้ใช่ไหมทีนี้ลัสั่งโยชดได้นี่คือมันเป็นเป็นที่อยู่ในจิตนะเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วเออแล้ว โสดาบันเนี่ยเขามีความดํารงชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไมครับพุทธเจ้าก็พูดถึงคุณสมบัติของความเป็นโสดาบันเนี่ยอยู่ไว้อยู่ทั้งหมดสี่อย่างก็เรียกว่าโสดาปฏิยังค์ขันี่นะองค์แห่งการบรรลุโสดาสีองค์นั่นก็คืออย่างแรกเนี่ยมีศีล5ประการนะมีศีล5ประการอย่างที่สองเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าอย่างที่3นี่คือมีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรม แล้วก็อย่างที่สี่เนี่ยมีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์สามสี <Huh. S 1> 3, อย่างนี้เรียกว่าโสดาปติยังคสี <Huh. S 1> หรือว่าอีกในยะหนึ่งนะก็เป็นผู้ที่รู้ซึ่งอริยยาณธรรมอริยยาณธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมะนะที่เป็นไปเพื่อความเป็นอริยะนะนั้นก็คือเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผล <c oughs> ความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมะ น, นะว่าอ๋อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับอย่างนี้คือลักษณะของปฏิจจสมุปบาทอ <c oughs> อย่างเช่นความเป็นเหตุเป็นผลว่าเอ๊ที่ฉันมีความรักใคร่ชอบพอในสิ่งนี้เนี่ยนะเพราะว่ามันมีผัสสะอ๋อเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเขาจะทราบตรงนี้ค่ะ <c oughs> จิตของฉันเข้าไปมีความสัมผัสจิตของฉันจึงมีความรู้สึกนะก็ <c oughs> จะทราบข้อมูลตรงนี้แล้วก็ประกอบด้วย กับความสีทั้งห้าสามอย่างนี้4อย่างนี้ด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นโสดาบัตคือไม่ต้องให้ใครมาพยากรผู้รู้ชาบอกว่าถ้าเธอเป็นคนอย่างนี้นะเธอมีสีท้านะแล้วเธอก็มีความศรัทธาอย่า ง, งมั่นในอรรถนัตไตรนะไม่ต้องรอใครมาพูดจะพูดเองถ้าต้องการพูดก็พูดได้ว่าตัวเอง เ, เป็นโสดาบัตมีนรกสิ้นแล้ว ท่านบูลคะถ้าพูดถึงคุณสมบัติของพระโสดาบันคุณสมบัติแรกที่ท่านยกตัวอย่างมาก็คือเรื่องโสดาปฏิยั่งขัสี่ที่ว่าถึงพร้อมด้วยศีลห้ากับมีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเป็นข้อที่สองพระทรรข้อที่สามพระสงค์เป็นข้อที่สี่ดิฉันเชื่อว่าหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยเรานี่เป็นโสดาบันแล้วนะออ <_ letter> มันมันจะมีอะไรละเอียดพิสดารมากไปกว่าที่ทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวเอง บางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะเออเออเอาถามว่าถ้าคุณมั่นใจในพระพุทธเจ้าจริงๆนะค่ะยังไปเที่ยวขอกับคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไหมยังพึ่งสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พึ่งธรรมอหอทําเกินได้ไหมคะคือศรัทธาอย่างนี้ด้วยแต่ดิฉันแถมอ่าแถมนี่ไงคือไม่มั่นใจไหว้ทุกครงเลยไม่มั่นใจเกินร้อยไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นในพระพุทธเจ้าก็ปันใจไงพวกปันใจอ่ะคนปันใจแล้วคุณจะมาหวังผลอะไร อ้าก็มีของสี่ข้อนั่งครบเลยคะแต่แถมให้เออนี่ไงคือใจของเรามีการถูกปั่นไป <c oughs> ก็จะไม่มีกําลังมากแปล ว, ว่าอย่างลงไม่มั่น <c oughs> และหวั่นไหวถูกไหมจิตนั้นก็จะไม่มีกําลังในการที่จะปล่อยวางสั่งยนให้มันลึกซึ้งลงไปได้ <c oughs> ใช่ค่ะเ <c oughs> ดินพยายามถามแย้งเพราะเชื่อว่าเราก็เข้าข้างตัวเองนะคะว่าแมมเราทําเกินนี่ไม่เห็นน่าจะผิดอะไรเลยอ <c oughs> ค่ะนะคะเวลาหมดแล้วยังแค่เนี้ยหมดแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อเรื่องรายละเอียดเรื่องนี้เรื่องว่า เอ่ยังไงถึงที่เรียกว่าอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยพระพุทธเจ้าจริงจริงค่ะนะคะก็ไไรบกวนท่านในวันพรุ่งนี้ต่ อ, อท่านผู้ฟังที่เคารพคะและนั่นก็คือพระเพนบุญอภิปุญ โ, โนนะคะกับการที่ท่านได้ให้ความรู้พวกเราจากพุทธวจะนะเกี่ยวกับเรื่องของรลี้ยสัตว์สีแล้วก็เรื่องของพุทธประวัติจากประโอษฐในรายการสัมสีนิสมนส น, นาดําเนินรายการโดยสัมสนีนาภงทั้ง FM 106ครอบครัวข่าวนี้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการพุทธวจะนะไปอ่านเนี่ย ท่านคริกริทนี่ก็จะทำเป็นเล่มๆ เ, เฉพาะเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของพระสูดาบันเพราะต้องการจะให้เราๆท่านๆเนี่ยพยายามไปให้ถึงให้ได้และก็เชื่อว่าไม่ยากเกินต่นักแล้วท่านไปบุญก็มาตอบแก้มอีกทางหนึ่งก็ขอมาที่ 02.269.00.06 หนะคะหรือ 02. ขออภัยค่ะมาเบอร์นี้เบอร์เดียวดีกว่าสะดวกดีแล้วก็เราก็จะมาพบกันอีก ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับรายการสัมมนาสัมทนาในวันนี้ลาไปก่อนค่ะพุทธวสวัสดีค่ะ